ขอเดินพรท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นเทปที่สอของรายการธรรมะเดลิเวอรี่ะซึ่งอารมภาพพระมหาสมปองสาลพุโตก็ได้มาบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่สอนนักพิมพ์อักษรเจริญทัศได้ฟังซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือทักษะชีวิตพิชิตความสุขเราจะมีความสุขในการทำงานได้อย่างไรแล้วเราจะได้นำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของเราเออกมาให้กลายเป็นความรู้ให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างสารรค์สังคมให้กับคนอื่นได้อย่างไร ธรรมอเดลิวัลลวันนี้ก็จะมาชี้ทางให้คนเหล่านั้นเห็นความสามารถของตัวเองทำประโยชน์ด้วยแล้วตัวเองก็มีความสุขไปด้วยออนอบน้อมแด่ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสพระวิญญารเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านขอจเจริญพรจ้ะเขาบอกเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคน เพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรถามความรู้สึกพราะเราเกาะมันได้เจอพระรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเอือมมากใช่ไหมจริงๆถามความรู้สึกจริงวันนี้เจอพระรู้สึกดีใจไหมครับวันนี้ใครพบพระรู้สึกดีใจบ้างยกมือขึ้นสาธุใครไม่ยกสาบแช่งโตขึ้นไปให้มีแฟนเจเลยขาเปยฟันโดดเลยนะต้องแช่งทุกที่เลยเอ่อม่วันนี้พบพระดีใจยกมือขึ้นอืมใครเสียใจเอามือลงอดีใจเอามือลง เอาลงได้แล้วมีใจนั่งตตรงๆแน่นอนเจอญพระต้องได้ฟังอะไรอโอ้ถ้าบอกฟังธรรมะในยอดเยี่ยมเลยบางคนบอกฟังเทศเลยถ้าเป็นเด็กปั๊บกระจปิดบางทีหลับไปเลยก็มีเขาบอกฟังธรรมะแล้วจะมีโง่แต่ถ้าไปฟังโปเตโต้รักแท้ดูแลไม่ได้เขาบอกฟังธรรมะแล้วต้องไม่ดื่มแต่ถ้าทําให้แม่ไม่เลื่มจบเลยฉนันปีใหม่จะต้องไม่ดื่มนะเขาบอกจนเครียดกินเหล้าขับแล้ว ถูกจับแน่เลยฉะนั้นต้องระมัดระวังชีวิตให้มากเลยแน่นอนเจอพระต้องได้ฟังธรรมะการความรู้สึกอะรกันฟังธรรมะรู้สึกเป็นไงบ้าง่วงนี่บอกอารมณ์ตอนนี้เลยใช่ไหมก่อนจะได้รับธรรมะจากพระต้องมาปูพื้นฐานรู้จักพระก่อนทราบว่าที่นี่60ปีแล้วช่วงแรกๆเราก็ทําหนังสือเกี่ยวกับพระนวมโกว่าอะไรต่างๆโอ้น่ายินดีมากเลยนะอาตมาก็คงได้อ่านนวมโกว่าเพราะพระทุกทุกตรงได้อ่านอยู่แล้วน่าดีใจเหลือเกินฉนั้นต้องทดสอบความรู้ของเราฝ่ายวิชาการด้วยใช่ไหม วิชาการต้องทำหน้ายังไงตรงหน้าตาวิชาการมากเลยใช่ไหมพระกินข้าวเรียกอะไรพระกินข้าวเรียกอะไรโอ้โหความรู้แน่นหมวดสังคมเรามีพระนอนพระนอนใครบอกเ อ, อบางทีบอกขี้เกียจ ด, ดูหน้าดูหน้เลยพับพับป่วยพระป่วยอ่พาพบางทีก็ประชวนเลยโอ้โหเหมือนเรามีเชื้อมากเลยเราไม่ขนาดนั้นนะฮะถ้าพระอ่ะาบพระอาบน้ำํำโอ้เป็นความรู้จริงๆเนาะบางคนบอกพระอาบน้ําอ้อยเรียกคนมาดูสิคะ น่ากลัวมากมากเลยวันนี้เรารู้จักกับพระนะครับแน่นอนพระสงฆ์เรียกเป็นอะไรเอ่ยพระสงฆ์เรียกเป็นอะไรบางที่จะมีองค์อยู่นาะพระสงฆ์เรียกเป็นพระพุทธรูปเรียกเป็นพระสงฆ์เรียกเป็นพระพุทธรูปเรียกเป็นบางที่เรียกพระเป็นอันก็มีน่ากลัวมากเลยต้องเรียกให้ถูกด้วยนะพวกเราเจอพระรู้สึกยังไงครับถามที่จริงความรู้สึกในการเจอพระร้อนนะครับวิญญาณออกจากร่างเลยใช่ไหมเห็นกําลังปราบผีกันอยู่มากมายเลย บางคนตื่นเต้นนะเจอพระดิฉันที่บริษัทเรามันทุกใครโทรไปเหมือนกันประสานงานตื่นเต้นมากไม่เคยคุยกับพระกริ้งพระกระลาสวัสดีคุณโยมพระอาจารย์เหรอคะใช่แล้วเนี่ยอาตมานะคะอะไรนะคุณโยมพระอาจารย์เหรอคะเนี่ยอาตมาเองค่ะโยมอาตมาเป็นของอาตมาถ้ายมพูดอาตมาอาตมาจะพูดอะไรเนี่ยเอาของพระไปเฉยเลยพอพระพูดจบเจริญพร น, นะคุณโยมค้าเจริญพรเช่นกันค่ะไล่พูดตามพระทุกคําเลย บางคนไม่เคยเข้าวัดเข้าวานนะผู้หญิงสื่นเต้นจริงๆนะเจอพระหลวงพี่ขาเนเจองแฝนมาเลยนะอยากจะมานิมนต์หลวงพี่ไปมรณภาพที่บ้านอยู่การ น, นี่เชิญพระไปตายเลยนะเช่นนั้นเนี่ยต้องทําใจให้สบายด้วยวันนี้เราฟังธรรมะก็เต็มใจขณะฟังเต็มใจหลังฟังก็ต้องมีความเต็มใจอิ่มใจด้วยเหมือนผัวเมียเคยใส่บาตรนี่ผัวเมียสามีถือข้าวอยู่ภรรยาถือกับข้าวพอจะตักข้าวใส่บาตรนึกไงมิลูศสามีเฮ้ยน้องใส่กับข้าวก่อนโอ้ยไม่ได้หรวงพี่ตามธรรมเนียมมันต้องใส่ข้าวก่อนธรรมเนียมนะ ไม่ได้หรอกใส่ใส่กับข้าวก่อนได้ไม่เป็นไรไม่ได้ต้องใส่ข้าวก่อนกับข้าวอยู่ในถุงไม่เปื้อนหรอกใส่กับข้าวก่อนไม่ได้ต้องใส่ข้าวก่อนเอ๊ะในเรื่องมากจะนั่งกูไม่ใส่ละถ้ามึงไม่ใส่นั่งกูก็ไม่ใส่ยกกับข้าวกับข้าบ้านเฉยเลยทาไมไม่ปรึกษากันให้เรียบร้อยก่อนดีนะพระไม่ค่อยพูดถ้าเกิดพระพูดไม่ใส่ไม่ใส่ถือไว้อ่านแต่พักปากเองเราโตแล้วเราตัดสินใจเองได้แล้วหรือถ้าเราเล่นตัวหน่อยไม่ใส่ไม่ใส่อ่าไม่เป็นไรพระก็ไม่รับเหมือนกันนะเนี่ยไปรับออกข้างหน้า ยิ่งวัยรุ่นทุกวันนี้บางคนอยากใส่บาทไม่เคยใส่โอ้เห็นคนฝรั่อื่นใส่กับข้าวซ้ําคนอื่นเทามันไม่แบบโมเดิร์นไม่อินเทรนด์บางคนใส่แตงโมใส่ลูกเล็กกว่าได้บุญน้องใส่ลูกเล็กกว่าได้บุญน้อยโอ้โหมาลูกเบ้อเลยสี่สิบห้าสิบพอใส่บาทปึ้งเต็มบาทรพระไม่ลงมีการทุบเหตุท่าเองพระต้องเอามีดเอาช้อนกรีดออกอีกตั้งนานนานมากมากเลยบางที่ไปจันทบุรีใส่ทุเรียนโอเคเป็นเม็ดก็โอเคเรียบร้อยไปบางคนไม่ทันครับพระมาแต่เช้าตัดทั้งลูกเลย แต่ก็ยังดีใส่ถุงให้พระแต่บางคนลืมเช็คขนาดถุงโอ้โหบางทียาวขนาดหน้าแข่งพระเดินแทงเข่าทุเรียนสองกิโลบางทีงั้นต้องระมัดระวังให้มากด้วยเราทำบุญวันนี้ปกติพระวิ่งได้ไม่เอ่ยสอย่างในโลกนี้วิ่งไม่สวยงามใช่ไหมมีช้างมงคลของพระราชาที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใครอีกผู้หญิงวิ่งไม่สวยงามใครอีกจะ๊ะ รออพระอ๋อปลาก็ไม่สวยงามเช่นเดียวกันเวลาวิ่งปลานม่วิ่งไม่ได้นะจ๊ะปกติโดยโดยโดยโ ด, ย, ด, ย, ด, ย, ดยนิสัยโดยปกติแต่ว่ายกเว้นหมาไดกันนะครับบางทีน่าเห็นใจชีวิตปลานอ้องพระเราเป็นเต้าสายตาอะไรหน่อยเราก็ออกหน้าหนึ่งทุกทีเลยกลัวเรดติ้งตกกลัวยมไม่คิดถึงเราเนะี่ยเราก็ต้องให้คิดถึงอยู่เรื่อยๆปลานม่วิ่งไม่ได้ยกเว้นหมาไะ้กันบางคนอ้าตายแล้วปลาทำไมวิ่งหนีหมาไม่สํารวมเลยหนูบ้าปลาพอพลาไม่วิ่งูมูมากัดร้ายปลาน้าโง่ให้หมากัดก็ลงจเอาไงกับชีวิตปลาเนี่ย เขาบอกว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีแต่ทําความดีไม่ต้องเกรงใจใครบางคนชอบเกรงใจความดีใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่เราจะช่วยดีไหมเนี่ยผอไม่เอาดีกว่าเกรงใจนะเห็นคนอื่นก็ทําความสะอาดจะโอ้่มันอะไรแก้วหกแตกเลี่ยราดมากมายจะช่วยดีไหมเนี่ยโอ้ไม่เอาดีกว่าเกรงใจเห็นเพื่นน อ, อนยกของหนักมาหนังสือเพียบเลยหนังสือใหม่มานําเสนอมากมายเลยจะช่วยยกนี้ไหมเนี่ยโอไม่เอาดีกว่าเกร ง, ง, ง, ง, งใจสุดท้ายเราเกรงใจความดีเกรงใจกันมาเกรงใจกันมา บ้านเมืองเราก็ไม่พัฒนานเลยความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีแต่ทําความดีไม่ต้องเกรงใจอู้เห็นไหมเติมตั้งหนึ่งคำพวกเราช่วยพระมากเลยแล้วเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรถ้าเราไปทวนถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ อ, องค์จะตอบได้ทันทีเลยแล้วเราละ่ะอยู่เพื่ออะไรจ๊ะเอาเงี้กันอาตมาทิ้งเบอร์โทรไว้คุณโยมโทรไปบอกที่วัดนะรู้สึกว่าพวกเรานึกนานมากๆเลยอาตมาคงไม่มีเวลาขนาดนั้น อยู่เพื่ออะไรคุณโยงนี่เลยนั่งตรงอัตมาเลยคุณโยงผูช้ชายด้านหลังขอไมน้นิดนึงคุณโยงอยู่เพื่ออะไรแล้วแต่เรานะครับอยู่เพื่ออะไรก็ได้อยู่เพื่อเธออืมหน้าตาเราเป็นจิกเชียวอยู่เพื่ออะไรจ๊ะอยู่เพื่อมีชีวิตต่อไปจ้ะนย่ตะลึงในคำตอบของวัน ด, ดังด้วยแสดงว่าต้องสู้ชีวิตแสดงว่าต้องอดต้องทนอยู่เพื่ออะไรอีก <c oughs> อยู่เ พ, เพื่อพ่อแม่ออื สู้เพื่อพ่อแม่เลยใช่ไหมโ อ, โอน่ารักจังเลยเนาะตอบได้น่ารักมาก อ, อยู่เพื่อใครอีกอยู่เพื่อทําความอยู่เพื่อทําความใครมั่นใจถ้าแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ทําความดีมากกว่าความชั่วแน่นอนยกมือขึ้นโอ้โ อ, โอ้ปัจจุบันและอนาคตของชาติใครคิดว่าตัวเองทำความชั่วมากกว่าความดียกมือขึ้นโอ้อ่ะง่วงใช่ไหมแต่ง่วงใช่ไหมโอ้อะไรเนี่ย ยกมือให้ทําไมค่อยอย่างนี้อโอ้โอเคน่าชื่นชมอยู่อยองละความจริงแต่ทาความชั่วมากความดีน่าชื่นชมตรงไหนเนี่ยเอ๊ชื่นชมผิดคนนะเนี่ยต้องยอกย่องให้ถูกคนด้วยแล้วความดีความชั่วเนทําง่ายกว่ากันจ้าใครคิดว่าความดีทําง่ายกว่ายกมือขึ้นปีใหม่นี้ปีคุณสุกกระระแปลว่าทําง่ายสุดีงามง่ายกระระแปลว่าการกระทำสุ ก, กรหมูแปลว่าทําง่ายใครคิดว่าความชั่วทําง่ายกว่ายกมือขึ้น โอ้เยอะแยะเลยโอ้จริงเลยจ้ะพิสูจน์กันเลยดีกว่าผมกำลังนแตน่งกับคุณโยมผู้ชายด้วยว่าเชิญครับผมกำลังแต่งกับท่านนะครับเชิญครับพิสูจน์พิสูจน์ออกมาด้านหน้าเลยจ้ะไม่ต้องกลัวพนะพระฉีดยาเรียบร้อยแล้วไม่เป็นผาดทยักแน่นอนเจริญพรชื่อชื่อโอชื่ออะไรนะครับโอเสียงหลอกเกินไปหรือเปล่าครับทำไมต้องออกจากลําไส้ใหญ่ขนาดนั้นชื่อจริงชื่ออะไรฮนะ ชื่ออโนชาชื่ออนุชาชื่อเล่นโอ้ครับโอ้นามสกุลครับพิมสักอยู่ที่บ้านอยู่กับใครครับอยู่ที่บ้านตอนนี้อยู่คนเดียวตอนนี้อยู่คนเดียวเงาไหมครับไม่เหงาไม่เงาเนอะเสียใจด้วยนะครับเขาไม่เงาเนะ่ยเขาไม่เงาโอเคครับคิดว่าผมชั่วทําง่ายกว่าครับผมแต่ต้องพิสูจน์กันก่อนละกันเดี๋ยวแตงโถามก่อนคำถามคําถามแรกต่อพิซซ่านะ เ๋ยวรพูดพิซซาสิพิซซามันขายไม่ได้มัต้อ ง, องเอ็กเซนต์มันต้องมากกว่านั้นพิซซาพิซซาอีกครั้งสอีกครั้งสิพิซซา <Pizza. S 1> โอ้ <Pizza. S 1> โห <c oughs> ที่นี่เรียนรู้เร็วมากครั <Pizza. S 1> ้งนี่สองปาลาปลา่ <B ala. S 1> าครั้งแรกตอบพิซซาครั้งที่สองปลาราสลับไปเรื่อยๆนะโอเคชื่ออะไรครับพิซซาอ๋อฉลาดฉลาดเริ่มเลยนามสกุลปาาชอบทานอะไรครับ พิซซ่แล้วเมื่อเช้าทานอะไรลาลาเพื่อนๆเราหน้าตาเหมือนอะไรครับพิซซ่าแล้วตัวเราล่ะอยามีแฟนหน้าตาเหมือนอะไรครับพิซซ่าเราได้มายังไงอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจารย์ตรายถึงชีวิตแล้วพระอาจารย์ลูกอื่นหน้าตาเหมือนอะไรครับพิซซ่แล้วพระอาจารย์สมปองน่ะลาลาโอทําไมว่าพระอาจารย์อย่างงั้น หน้าเราหน้าตาเหมือนอะไรครับพิษสักโอ้แล้วปากล่ะเวละอันตรายเดี๋ยวจะตกงานกันนะครับคิดว่าความชั่วทํำง่ายกว่าเป็นชาวพุทธนะครับโทษทีเป็นชาวพุทธนัำถือพุทธศาสนานะครับกราบพระอาจารย์ได้ไหมครับโอเคลองดูนะพระอาจารย์ถือไม้ให้กราบพระโอ้ยแม้คุกเข่าด้วยบางที่เขานั่งเนี่ยคืออยู่ที่วัดไม่ค่อยมีใครเคารพนะฮะก็ต้องบังคับให้คนอื่นกราบนะครับ โอ้เรียบร้อยเลยการกราบพระไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้ผูห้หลักผู้ใหญ่เป็นความดีหรือความชั่วทําง่ายไหมบอกปุ๊บทำปั๊บเลยเย่างนั้นตบอาตมาสิต้องยกหน้าหลบก่อนกล้าไหมกล้ามไหมไม่กล้าต่อยอตาตมาก็ได้ไม่กล้าไม่ต้องไปคิดหน้าครับความชั่วเราต้องทําเลยจริงๆแล้วความดีเราต้องใส่ความคิดในปีกุลนี้นะครับปีที่ทำอะไรง่ายปีมูหมูทำอะไรง่ายๆเนี่ยความดีทําง่ายไหมอยู่รักกันดูแลกันง่ายไหม ด่ากันว่ากันอิจฉากันให้มันยากที่สุดแต่ลองว่าอัตมาที่หนึ่งสองสั้นอ่าไหนลองตบอัตมาสิโอ้โหง้างเทียบเชียวฉังนั้นคนที่ทําความชั่วได้โอ้มันมีระบีบคันเยอะนะถูกกดดันถูกเออดูถูกถูกเยียวยามากมายกว่าเขาจะทําความชั่วได้นะเราต้องคิดอย่างนั้นนะความดีนั้นทำได้ง่ายอย่างแน่นอนเลยทีเดียวไหนมีปลารามาด้วยไหมปลารามีมีอยู่นี่ไห oh, ะอยู่น uh, ี่ไหมผมเป็นเลดังต้อนรับเสิร์ฟด้วยครับเชิญครับเชิญเลยค เอาไม้มาด้วยไม้มาด้วยชื่อจะยื่นไม้เขาสิโอชื่อฟันทิปค่ะไม่ได้ชื่อปลาร้าเหรอจ้าโอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหยิบอุปกรณ์ให้สมานิดนึงนะครับโอเคครับรู้จักกรรมานานหรือยังครับก็สี่นิ้คเคยทะเลาะ ก, กันไหมฮะเปิดไม้นะครั บ, เ ป, รบเปิดไม้นิดหนึง่งโอเคครับคุณคุณโอคุณโอมาอยู่ฝั่งนี้ได้ไหมเอยนะโปรเจคเตอร์อาจจะส่องหน้านิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับคุณชื่อเล่นชื่ออะไรนะฮะ คุณเปิล น, นะจ๊ะให้อธิบายในยสิ่งที่คุณเปิลมองเห็นนะเท่าที่คุณเปิลเห็นเห็นอะไรบ้างเล็บมืออมาไม่ต้องนะครับไม่ต้องเกียวโอเคเห็นอะไรบ้างจ๊ะบ้ยกาแฟด้ยกาแฟสีสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเหรอพื้นที่ส่วนมากมันสีขาวนะมันเป็นมุมมองเขาฟ้ากัฟ้าลายสีฟ้าโอเคจ๊ะมีอะไรบ้าง มีอะไรจับมีหูจาบมีหูจาบโอเคเป็นรูปทรงอะไรรูปทรงกลมทรงกลมนะจ๊ะ ห, ห, หมดแล้วยังหมดละหมดละจ๊ะ<ถ>โอเคจ้าคุณโอ้อธิบายในยสิ่งที่คุณโอวมองเห็นไม่ต้อเป็นต้องเหมือนเขานะครับอย่าไปเอาใจเขา <c oughs> โอเคครับแก้วแก้วเมตามีนแก้วเมตามีนโอ้โหอะไรเมตามีนเนโอ้ยพเราไม่เข้าใจเลยอะไรเมตามียนก็แก้วเ <c oughs> มตาเมีนเหรอ อ๋อหรออ๋อความรู้ลึกซึ้งมากเลยอ่าแก้มีรมีนอ่าเพิ่งรู้แล้วเนี่ยสีสีสีขาวโอ้คนละสีนะสีขาวกับน้ำเงินกับน้ำเงินรูปทรงรูปทรงกระบอกรูปทรงกระบอกไม่มีภาษาแบบแก้มีรำมีนไม่มีอะไรองี้ใช่ไหมมีหูไหมครับมีหูจับไม่ฝังเราครับไม่เกี่ยวกับฟังเลยไม่มีมีไหมครับมีมีมีไหมครับมีค่ะมีไหมครับ ครับไม่มีไม่มีสินี่อย่าไปสนใจเขาสิอย่าไปมองตาเขาอย่เกรงใจเขามีหรือไม่มีไม่มีไม่มีมีไหมครับมีครับมีไหมไม่มีไม่มีครับยืนอย่างต่อไปนี้ให้ทะเลาะกันครับอย่ามองตาเขานะครับทะเลาะกันเลยนะเคยทะเลาะกันไหมเคยทะเลาะกับคนอื่นไหมครับเคยเคยนะครับเคยไหมครับเคยเอายิ้มใส่นั้นมาใช้ในตอนนี้เลยขยับไปด้านหน้าอีกนิดนึงครับเต็มที่เลยครับทะเลาะกันตรงนี้แค่นี้พอไอ้มันเห็นหู โอเคทะเลาะเลยทะเลาะกันชอบเป็นคนทะเลาะกันครับเชิญเลยครับอ่ะมันไม่มีหูบอกเลยผู้ตามันามาก็ได้ผมเคยไม่เคยทะเลาะทะเลาะสิบทิศมาแล้วจะมามันไม่มีหูมันไม่มีหูโอ้ทะเลาะอะไรมันไม่มีหูกลัวตายเลยทำไมมันไม่มีหูมันไม่มีหูหดูบ้างสิดูบ้าง มีอะไรมีเหตุผลบ้างฟังบ้างนี่หลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้วนะออกไปยักหน้าทำไมเล่ามันมีหูค่ะมันมีมันมีหูเธอมีตาหรือเปล่าเชื่อเราสิเชื่อเราสิอย่าไปมองตากันเชื่อเราสิเชื่อดีรักหน้าเด็กโง่เขาโง่ไงเขาไม่เชื่อเราออก็ฝั่งนี้มันไม่มีหู เออเพราะฝั่งนี้มันไม่มีหูเพราะฝั่งนี้มันไม่มีหูเออรักนะจุบจ๊บๆแหมพอจะทะเลาะกันจะมาทะเลาะกันไปแล้วนะเก้วมันขยับไม่ได้ครับอยู่ในปูนเลยขยับไม่ได้ทําไงเขาถึงจะเชื่อเราฮะให้เขามาทางสั่งเราถ้าจะตะโกนกันไปตะโกนกันมามีหูไม่มีหู ม, หมีตาหรือเปล่าทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาบ้านเมืองสงบไหมฮะเขาไม่ได้เห็นปัญหาใ น, ในสิ่งที่เราเห็นต้องทอํายังไงนะต้องชวนเขามาดูไหนลองชวนเขามาดูสิครับ มาดูดิว่ามันหนีเอาเชิญครับเขาชวนแล้วเชิญครับอธิบายเขาเห็นไหมว่ามันมีหูเห็นว่มีหูนี่ต้องบอกบททุกบทเลยใช่ไหมเนี่ยรู้สึกทํางานหนักมากเลยนะแต่มาอย่างนี้มันมีหูเชื่อเราไหมทีหลังจะทะเลาะกับเราอีกนะเชื่อไหมเชื่อเชื่อไหมครับครับโอเคครับโอเคงั้นชวนเขามาดูฝั่งเราบ้างชวนครับเชิญครับเชิญครับเขายังไม่ได้ชวนครับเดี๋ยวนี้ครับชวนก่อนสิ ให้เกียรติว่าสตรีชวนเขาครับเชิญมาเกีนฝั่งนี้ครับผมโอ้เชิญค่ะชวนแล้วโอ้ไเพราะมากเลยอธิบายดีมันไม่มีหูนะฝั่งนี้ไม่มีหูนะคิดตีหรอยังหรือเสียงจะหวานเกินไปรึเปล่าไม่ใจไม่ได้เลี่ยผู้ชายหน้าหวานมากมันไม่มีหูนะ อ, อ, อย่าทะเลาะเราอีกนะนะนะ โอเคครับโประมทได้นอยอดท้องท่านเลยครับโอเคครับโอเคขอบ ค, คุณมากครับขอบคุณมากเลยอะตอนนี้ขอเชิญทุกท่านอาตมาจะมีกติการ่วมกัน้าธุพวกเราได้ไหมไม่ได้เสียภาพโพสพระเรื่องไหมครับสาธุถูกปลูกฝังว่าภาพพสเรา ต, ต้องต้องดีโหลดยังไงก็แสดงความรู้สึกไม่ได้เกิดมาหนี้จะคุยกันจะพัดพดีดลุกกระเด็น ก, กระด็ ก, กระโด ก, กเด็เรืงหนึ่งหมันก็จะน่ารักเกินไปเรามีกติกานะจ๊ะพูดว่าสะอาดเมื่อดีที่ขาและยืดตัวตรงสะอาดไม่ไม่ให้ตีงเดี๋ยวไม่ได้ให้พูด ะสะอาดถ้ามีหนังสือมีอะไรก็ตีทับไปเลยนะสะอาดกรีบเดียวเลยได้ยินไหมพระอาจารย์โอ้ไม่ได้ยินเลยเบาเหลือเกินสะอาดอีกครั้งสะอาดได้ยินไหมครับโอ้ไม่ได้ยินเลยเบาไปพยมสะอาดได้ยินไหมโอ้น่าสงสารเนาะไม่หล่อได้ยังหูซึงอย่างนี้น่าสงสารทีมงานเราเหลือเกินเนี่ยพระไม่มีหล่อแล้วพระถ้าจะหล่อหอด้วยอะไรหลอด้วยศีลเทิด้วยปัญญาสง่าด้วยสมาธิ อ, อย่างอื่นไม่ได้เลยคิ้วผมไม่เหลือแล้วพวกเราสะอาด สว่างพนมมือขึ้นะไม่มีเสียงนะถ้าสว่างมีเสียงจะสะอาดใหม่สะอาดสว่างโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสงบมือขวาทับมือซ้ายหลับตาลงพริมพริมแล้วอมยิ้มให้กับตัวเองนิดหนึ่งวันหนึ่งเราฟุ้งซ่านหลายชั่วโมงนะคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้กําไรขาดทุนชอบใจไม่ชอบใจทําเพื่อสังคมทําเพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวบ้างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมันจะสลับกันไปกันมาอารมณ์ความรู้สึกเรามากมายเราต้องมีบางจังหวะของชีวิต ไม่จะเป็นต้องนั่งตัวตรงหลับตาตลอดนะบางทีนั่งสงบสง บ, สงบพักจิตพักใจของเราว่าชีวิตของเรามันผ่านอะไรมาบ้างบางท่านยี่สบตัวกว่าสามสิบตกว่าสี่สบตกว่าคุณมาดิดลึกลงสีบอกเอาไว้ในการทํางานของเราแปดหมื่นชั่วโมงเกินเรียกว่าจะเกินครึ่ง ข, ของชีวิตที่สามไปเวลาของเราหมดไปกับการทํางานทํามาหาเลี้ยงชีพแปดหมืนชั่วโมงนี้เราอยู่ที่อักษรเจริญธาตุหากเรามีความสุขใส่วิาชาการก็ดี ฝ่ายขายก็ดีฝ่ายอะไรก็แล้วแต่ฝ่ายผลิตก็ดีหากเรามีความสุขเราจะมีความสุขแปดหมืนชั่วโมงหากเรามีความทุกข์เราเราอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรอยู่ทําไมมันก็จะมีความทุกข์ฉะนั้นมันต้องเลือกว่าเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ในการอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าคนทุกคนต้องการเรียนรู้แต่ก็ต้องการความสนุกสนานในการเรียนรู้นั่นด้วย มหาธรรมะคาทีบอกว่าหากฉันไม่มีอารมณ์ขันฉันฆ่าตัวตายไปตั้งนานแล้วดัวยบุคลิกท่านท่านน่าจะเป็นคนที่จริงจังอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆเราไมีอารมณ์ขันมีความสนุกมีความสุขอยู่ด้วยตลอดฉะนั้นอะไรที่จะเป็นความสุขให้กับตัวเราเองก่อนเลยครอบครัวเราคนใกล้เคียงเรานะแผ่ความสุขนั้นให้กับคนรอบข้างเอาละตอนนี้ทุกคน ค, อ ค, อคอนออน่อยๆขนมือเกินอย่ยเพิ่งเดิอมตานะเราทําความดีแล้วนะถึงแม้เล็กน้อยแต่เราเมื่อสักครู่เราไม่ได้อิจฉาที่สุขอากใครไม่ได้คิดร้ายใครไม่อยากทําร้ายกัน แสดงว่าตอนนั้นเรามีความสุขแล้วในช่วงนี้เราแผ่เมตตาแผ่ความสุขซึ่งนิดหนึ่งว่าต่างขอเดชะตั้งจิตอุตอทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภยัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำการงานทั้งหลา ย, ยาาลขอให้ได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวั น, น, ววนขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เถิดสาธุสามครั้งใครเคยมีความมีเรื่องเบื่อหน่ายบ้างยกมือขึ้นมีเรื่องเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในชีวิตเราตลอดปีที่ผ่านมา <c oughs> อู้บางคนโชคดีจำไม่เคยมีเลยเหรอโอ้ใครมีเรื่องเบื่อหน่ายบ้าง <c oughs> เอาละ <c oughs> เดี๋ยวหันหน้าหาคู่นะจ๊ะ หันหน้าหาคู่เอาอย่าสนุกนเรื่องเบื่อเรื่องเบื่อเรื่องเบื่ออะไรหวัวลาะ ก, กันแล้วเบื่อต้องเบื่อเบื่อต้องเบื่ออ้าวหนึ่งปีที่ผ่านมามีเรื่องหน้าเบื่อหน่ายมากมายวันนี้เราจะมาระบายความหน้าเบื่อนั้นโอเคฟังกติการนะจ๊ะสะอาดสะอาดอะไรหน้าเบื่อหัวเลาะใส่กันแล้วจะหน้าเบื่อตรงไหนเนี่ย พูดเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายที่สุดเลยเบื่ออะไรก็แล้วแต่ครอบครัวการงานเบื่อหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่นะพูดออกมาเลยบอกออกมาเลยเบื่อลูกน้องเหมือนกันไม่ใช่เบื่องหัวหน้าเรามีความเบื่อหนบ้านเมืองอะไรต่างลอบตัวเราพูดให้กันฟังคุยกันเรื่องหน้าเบื่อ A B บคุยกันเรื่องหน้าเบื่ออะไรก็ไม่ร้ชีวิตเราหน้าเบื่อหน้าเบื่อสามีภรรยา ลูกทำไมมันน่าเบื่ออย่างนี้เบื่อครับเบื่อเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องชีวิตน่าเบื่อเหลือเกินชีวิตเราคุณน่าเบื่อฮะโอเคปิดหมดเวลาปิดหมดเวลาจะ้ะ พอเวลาโอเคหันหน้ากลับมาด้านนี้น่าจะเป็นที่แรกนะเดฟพูดเรื่องหน้าเบื่อได้สนุกมากเลยโอ้ฉันเบื่อมากเลยนะ่าเบื่อมากมากเลยเบื่อตรงไหนเนี่ยหน้าตาเบื่อตรงไหนเนี่ ย, บยเบื่อได้ระบายอ๋อไหนลองตะโกนดังๆว่าเบื่อสิครับดงังๆหนึ่งสองสามเบื่อโอ้ได้ลมมากได้ลมมากเลยมันออกมาจากตับไตไส้พุงเราบ้ากออกมาจากความรู้สึกลึกๆมากเลยอีกครั้งที่หนึ่งสองสา มีกระแทกใส่ห <presidency> น้าเราด้วยนะบอกบอกความรู้สึกที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองสาเราบอกว่าเบื่อมันเบื่อไหมฮะเบื่ออ๋อนี่บอกความรู้สึกจริงนะเวลาเบื่อมันก็เบื่อจริงนะเวลาเราพูดเรื่องเบื่อนะต่อไปนี้เราจะพูดแตเรื่องของเรื่องมีความสุขกันอ่าอาหารอาหารกันอีกครั้งหนึ่งหน้าตาให้มันบาลานซ์กับเรื่องราวบ้างเรื่องมีความสุขอะไรหน้ามุ้ยเลย เรื่องที่มีความสุขแฮปปี้มากเลยตลอดปีที่ผ่านมา เ, เล่าเลยจ้ะเรื่องมีความสุขเล่าเลยนะแฮปปี้สตอรี่เขาบอกเรื่องราวแห่งการมีความสุขมีความสุขกันโอ้โหมีความสุขมากเลยเขาเรา ม, มีความสุขกันเลยครับปิดหมดเวลาปิดหมดเวลา หมดเวลาแล้วแม่พอความสุขนี่สามปียังไม่หยุดเลยพูดเรื่องมีความสุขมีความสุขไหมไหนเราพูดดังๆสิฉันมีความสุขมีความสุขมีความสุขไหมมีความสุขสิเรามีความสุขเรามีความสุขทุกๆวันเลยอันสุดท้ายครับให้เราหันหน้าหากันต่อไปนี้ให้เราชื่นชมกันและกันเดี๋ยวมันเป็นเรื่องยากขนาดนั้นเลยเหรอ ชมหน้าตาชมการทํางานชมนิสัยใจคอชมน้ําใจหายากไหมครับความการชมกันย ห, หรือจะให้เปลี่ยนเป็นดินทากันอะไรที่มันเป็นแง่ลบมันก็จะลบนะเร า, าเอาแง่บวกดีกว่ามาชื่นชมกันหาสิ่งข้อดีของเขาในคนที่อยู่ตรงข้ามเราชื่นชมเขาเขาก็ชื่นชมกลับมาโอเคหันหน้าหากันอีกหนึ่งรอบชื่นชมกันแล้วกันหายากไหมหายากไหมไม่ยาก พ่อดีมีมากมายเธอสวยเธอหลอ่อเธอมีน้ำใจนายเป็นคนดีนายหล่อมากเลยดีมากเท่มากชื่นชมตัวเองฮะนี่โอยขอบคุณค่ะใหญ่เลยนานๆจะมีคนชมเราสักทีโอเคปีดหมดเวลาปีดหมดเวลา ชมคนอื่นสองปีหมดเวลาเรียบร้อยแล้วบางคนขอบคุณกั น, นเลยนะขอบคุณท่าเป็นครั้งแรกที่มีคนชมขนาดนี้เราชื่นชมกันให้กําลังใจกันเป็นเป็ น, เปน ก, กเรียกว่ามันเป็นแง่บวกใช่ไหมคิดอะไรในแง่บวกโพ i ิทีฟติ้งกิ้งทุกอย่างมันก็จะอัพอัพอัเพื่อนมีความสุขเราด่ากันว่ากันข้อเสียหาง่ายไหมง่ายเพื่อนใส่เสื้อขาวมาดําจุดเดียวไว้เสื้อดํานำขาวอีกตั้งมากมายไม่มองเขามีข้อเสียข้อเดียวเองเห็นแก่ตัว ขี้เกียจไม่มีน้ำใจชายเช้าชู้อะไรเงี้ยเขามีข้อเสียนิดเดียวเองเข้อดีเขาตั้งมากมายอย่างน้อยเขาก็มาทํางานใช่ไห ม, ไหมถึงแม้เขาจะไม่ทําก็ตามถึงเขาจะไม่ทําก็ตามฉั้นเราดูข้อดีของคนอื่นให้มากๆากเขาบอกคนเราถ้ายอมรับในความแตกต่างได้โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นเยอะคนเรานิสยัยเราอยู่ด้วยกันเป็นรายกัน <Yeah. S 1> เราเป็นเพื่อนกันนิสัยเหมือนกันไหมฮะ <Yeah. S 1> คนเรานิสัยเหมือนกัน้ถูกต้องแล้วถ้านิสัยเหมือนกันอันตรายมากเลยนะ เกิดผู้หญิงทั้งออฟฟิศเลยมาดูมชอบคุณยมคนเดียวคุณยมจะเอาไหมครับคุยมจะเอาไหมเอาเอาอีกเนาะเดี๋ยวก็วางแผนฆ่ากันทําร้ายกันฉันต้องได้ฉันต้องได้ไดประบูชน์เขื่อนย้นฉันชอบอะไรเงี้ยไม่ได้เลยฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คนเรานีสายแตกต่างกันนะ่ะมันถูกต้องแล้วชอบไม่เหมือนกันนะ่ะถูกต้องแล้วนะเหมือนอาจารย์จุฬลงกรณ์นี่จะพูดบ่อยๆความรักมีกี่แบบฮนะ ออกความรัออกแบบไม่ได้ใช่ไหมเรามาออกแบบความรักกันดีกว่าความรักมีสองแบบนะฮะก็คือความรักทางโลกแล้วก็ทางธรรมความรักทางโลกอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนี่ใสไม่เหมือนกันต่อไปพวกเราต้องมีหรือบางคนก็มีแล้วคือความรักแบบแบบอะไรกันไม่มีกันเลยฮนะแบบความรักแบบ แ, บบแฟนพวกเราต้องมีเพราะเน่ยตอนพวกเราเข้าสู่อายุสี่สิบห้าสิบพวกเราก็ต้องมีแฟนอยู่แล้ว <S <S อ๋อน้อยไปเลยครับอะหกสิบเจ็ดสิบพวกเราก็มีแฟนแล้ว ไม่ดีนะแต่งเจ็ดิบมีลูกแปสบเผาเก้าสิบพอดีเลยอาจารย์เฉยตะพลเฉยนิดบอกไว้เลยคนเราคารวะรักกันต้องเสมอต้นเสมอปลายใช่ไหยครับบางคนรักกันใหม่ในั่งกันอยู่คนละมุมโตทานข้าวผู้หญิงถามนี่เธอมองหน้าฉันจะคิดอะไรอยู่ก็คิดเหมือนเธอนั่นแหละบ้าลามกอ่ะแสดงผู้หญิงกำลังคิดลามกอยู่นะเนี่ยแต่งงานกันไปห้าปีมีลูกสมคนเสียงเปลี่ยนเลยผู้หญิงนี่แก่มองหน้าฉันแกคิดอะไรอยู่ผู้ชายก็คิดเหมือนแกนั่นแหละลุกขึ้นชี้หน้าเลยอ๋อนี่มึงคิดแต่ข้ากูเหรอ แต่กว่าวางแผนข้ากันอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมมันต้องเสมอต้นเสมอปลายด้วยตามความรักแบบครอบครัวภาษาอังกฤษว่าไงครอบครัวแ a ม i l y ีแฟมบาย่อมาจากคำว่าอะไรแม่แต่งแม่แต่งแล้วเยอะมีสองเหมือด้วยมีท่าสิ้นชิดด้วยตอบเหมือนกลัวคนอื่นตอบก่อน วัดฉันรู้นะฉนูนะอะไรเงี้ยอะไรนะชัดที่เพื่อนฟังไม่ทันฟ้าเจอแอนมาเจอ I love you ออกเสียงตัวชัดด้วยไหมครับ <c oughs> พ่อครับแม่ครับผมรักพ่อกับแม่พ่อจ๋าแม่จ๋าหนูรักพ่อกับแม่เ <c oughs> คยเอ่ยคํว่ารักกับพ่อกับแม่บ้างไหมครับ <c oughs> ในใ ค, รครีเอ่ยคำสุดท้ายเมื่อวานนี้เ <c oughs> มื่อคืนนี้เอาหอมแก้แม่เขงสุดท้ายเมื่อไหร่ดีกว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้โอ้ทำไมะทาไมหอมแก้แม่ แม่ซื้หนูเหรแม่เราแม่เราที่เบ่งเราออกมาจากโรงพยาบาลแรงๆอ่ะเมื่อกี้เนี่ยหอแม่เขาใช้เมื่อวานนี้ไม่ให้ตังค์หอมแก่แม่เลยแม่ให้ตังค์อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนื่องในเทศกาลกลับบ้านกลับบ้านของแก่แม่ทุกครั้งไหมครับน้ําตาไหลไหมแม่น้ําตาไหลไหมทำไมครับท่านเหม็นหน้าเรามากขนาดนั้นเลย มันปลืมใจดีใจเดือนที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วมีนะครับโอ้โหชาติที่แล้วบางคนไม่ได้หอมนานแล้วครอบครัวแฟมิลี่เอ่ยทำอาละ ก, กับพ่อกับแม่บ้างสุดท้ายคนนี้ต้องอยู่กับเราตลอดจะสุขหรือจะทุกข์ล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จเขาต้องอยู่กับเราคือใครครับอะอครอบครัวเราวนนี้ตัวเราเองตัวเราเองนะครับบางคนเนี่ยรอมันเกิดจะรอให้คนอื่นให้ของขวัญใช่ไหมพอเขาไม่ให้ก็น้อยใจเคยไหมฮะเคยน้อยใจไหมเขาไม่ให้ของขวัญ เขเคยให้ไหมเขาไม่เคยให้จะน้อยใจทำไมเนาะก็ไม่เคยให้อยู่แล้วถ้าอาจารย์จะทุกคนบอกไว้เลยถ้าเขาไม่ให้ของขวัญเราเข้าไปในห้องถือของขวัญถือดอกไม้ไปก็ได้นะปิดประตูปั้งล็อกแก๊กเลยสมสีพระเท่ชื่อสมสรีสมสรีฉันรู้ว่าเธอสวยที่สุดในโลกอย่างน้อยก็ตอนนี้เธออยู่ในห้องน้ําคนเดียวเนี่อเม้าดอกไม้ให้เธอขอให้เธอมีกำลังใจและทำความดีต่อไปมุ่งมั่นขยันขันแข็งเธอจะประสบความสำเร็จแน่นอนมอบให้แล้วก็รับดอกไม้มา ใช่ไหมครัแต่ตอนทำต้องปิดประตูให้ดีนะะแล้วเกิดน้อง ม, มองแม่พี่เป็นอะไรต้องให้กําลังใจตัวเองด้วยนี่คือความรักแบบทางโลกนะครับความรักแบบทางธรรมมีอยู่4ี่ระดับด้วยกันหนึ่งความรักแบบหลักะเป็นความรักแบบความใคร่ฉันไม่ได้คนอื่นต้องไม่ได้ทะ เ, เลาะทะเลาะกันฆ่าตัวตายต่างๆนี่เป็นราคกะสองศีลหา ความรักที่สูงขึ้นมาอีกคืออธรรมคิดถึงการนอนเห็นนอนเห็นหน้าเขาลอยอ ย, ยู่บนพดานที่เราเคยได้ยินอ่านหนคือเห็นหน้าเขาลอยในหนังสือกลื่มน้นนาานนานําเห็นหน้าเขาลอยในแก้ว น, น้ผ่านเข้าเห็นหน้าเขาลอยในจานข้าวแต่ละเข้าน้ำจะเห็นหน้าเขาลอยในคอหานอยลุ้นขอหานี่ใช่ไหมบูบาทเหมือนหน้าแฟนออกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามความรักแบบเปรมเป็นความรักที่สูง ข, ขึ้นมาอีกนะครับช่วยเหลือเพื่อกลุกันแต่ความรักที่สูงที่สุดในพุทธศาสนาคือความรักแบบเมตตารักหมาตีดแมวนี่ังไม่ใช่เมตตารักแบบเมตตารักยังไง รักแบบพี่เบิร์ดอะ่ะเห็นไหมเบิร์ดรักทุกคนเลย <c oughs> ลูกเลเ็กเด็กแดงคนเก๋มาอบเบริร์ดรักหมดเลยยิ่งใครซื้อซีดีที่ไม่ใช่ซีดีผีด้วยเบิร์ดรักมากเลย <c oughs> อะไรเงี้ยต้องช่วยกันเห็นครบับนี่คือความรักแบบเมตตาดูสิว่าเราอยู่ด้วยกันเราจะมีความรักอย่างไ <c oughs> อะเกมชีวิตหนึ่งท่านเอาท่านที่ไม่มีคู่มาสักครู่แล้วกันกเชิญคุโยมท่านนั้นนะผมากับท่านยครับคุณโยมอุชานอ๋อคุณโยมอุทานเลยสวยมากเลยยืนขึ้นนะยืนขึ้นเสียนด้านนี้จ้ะด คุณยมอยู่ฝ่ายไหนจ๊ะทํางานด้านไหน ย, ยังไงวิชาการครัหน้าตาเหมือนมีเรื่องมากเลยนะฮะจะมาจะปลอดไทยหรือเปล่าอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะนครสวรรค์ครับ ค, รนคนนครสวรรค์เลยเรามาเล่นเกมง่ายๆกันก่อนเกมนี้ชื่ว่าเกมชีวิตอา่าหันหน้ามาด้านนี้ครับกฎิกณง่ายมากเลยครับเราจะส่งประกาให้กันถ้าเกิดใครทําตกคนนั้นแพ้แพ้เลยนะอนุ ญ, ญาตให้ย่อเยยได้นะครับชอบการย่อเยยถักถางน่ะเรามาเล่นเกมกันแพ้ ตกแพ้ทันทีโอเคครับเริ่มนะครับโยนหรือว่าคุยกันในวิชาการนี่เหนื่อยเนาะการถ้าอยู่ใกล้เราก็ยื่นให้กันถ้าอยู่ไกลเราก็โยนด้วยมือขวานะครับมือที่ถนัดมือไหนครับมือขวามือขวานะฮะยอมรับนะฮะโอเคพร้อมครับหนึ่งสองตั้งฮะอะไรนะเขาไมให้โยนของให้พลาหรือว่าอาตมาไม่ใช่พลาแล้วกันช่วงนี้อาตมาเป็น คุสมปองก็แล้วกันนะฮะใหรก็ได้ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตอ่าผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยขอได้ผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะเขาจะติครับผมผู้ชมทางบ้านผู้ชมทั่วประเทศด้วยนะครับทัประเทศแล้วเขาก็เดนินเน็ตเวิร์ก145ประเทศทั่วโลกด้วยะนะโอเคนะครับเดี๋ยวเขาจะติมาได้ทางรายการบ้างเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นซับให้ผู้ปกครองควรพิจารณานอย่าให้เด็กดู จังหวะนี้โอเคนะครับเริ่มนะครับ1 2 3่งองสโอเคโอ้หยุดจ้าให้มันมีจังหวะจากโค้ชเลยอะไรปุ๊บปับเลยใครจะไปตั้งตัวได้เขาต้องเล่นชา้าอาจารย์ชัยรัตน์นี่ผมเพิ่งเคยเห็นเขาเล่นปุ๊บปับขนาดนี้นี่ท่าก็แย่สิตายแล้วธรรมชาตรียนเทป2เราก็แย่แล้วจะมีเทป3อยู่อ่ะเริ่มตัวชาว้าๆนะครับหนึงอง อ่ะผมมแสดงกับท่านก่อนเอเราอยองขึ้นมานั่นแน่แมเล่นเราซะแล้วนี่เกมง่ายครับเราเป็นลูกน้องระดับเดียวกันเล่นง่ายถอยไปครับเกมมันจะยากขึน้นตำแหน่งเราจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเก่งนะพร้อมนะพร้อมหรือเปล่ามแมนะ่จ้าสนุกจังเลยวัเนี้โอเคอยู่เพลินเลยนะอยู่เพลินเลย ตากรีตากรีเดี๋ยวใคร <limitation. S 1> ดูเขาจะ เ, เล่นเหล่าบ้างโอเคเ okay, อา1น3ออ่าผมมาเล่นกับท่านด้วยโอเคครับอ่ะโยนมาแม่น่าเหมือนมันัดบนจำนงมากเลยน่าเหมือนมันัดบนจำนงมากนะโอ๊ยดีๆดีนะอุทานโอ้ยถ้าอุทานไว้แย่เลยนะ ก็บอกจังหวะเลยสิแม่ยังรับได้อยู่นะครับยังไม่แพ้แมจะเล่นเราก็ละ100ปีอีก29ครับเดินผ่านหน้ากล้องไปเลยขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะเดินผ่านหน้าท่านผู้ชมเกมมันจะใหญ่ขึ้นครับอีก29นะครับยังไม่มีเวลามาอีก9หนึ่งนะครับพอละส่งสารตากล้องสงสารตากล้องมากโอเคนะครับงานเราใหญ่ขึ้นตำแหน่งเราสูงมากขึ้นอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วถามที่ไหนกลับมาที่ตำแหน่งเดิมดีไหมตำแหน่งจะขึ้นเร็วไปนะ เกรงใจเพื่อนๆเขาอยู่มาหลายปีเกมเราใหญ่ขึ้นครับยากขึ้นยากขึ้นนะพิจารณาให้ดีโอเคเตรียมตัวแต่งงานแล้วยังมีครอบครัวยังมีแล้วมีลูกยังมีแล้วกี่คนนะแค่เก่งเนาะนะบางศาสนาก็มีได้สี่บางศาสนาก็มีได้คนเดียวแต่ผู้ศาสนาเราไม่แบ่งแยก ก็มีได้เยอะมากเลยนะจริงๆเราให้มีคนเดียวนะครับแต่เราไม่ได้ระบุไว้เท่านั้นเองเตรียมตัวนะครับเ2นือสอง้ำแมเอา้เอานี่พระบอกตลอดนะมาอย่าไปกดสิมันเสียบมือพระตัวเกมใหญ่ขึ้นยากมากขึ้นโยนให้ ด, ดีเลีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โยนลงสิโยนให้กันรับได้สิไม่จะกันแกล้งกันทำไมเนี่ยเออตำแหน่งสามเดือนก็ขนาดนี้แล้วอยู่มาสามปีครับตแหน่งนู่นเลยครับ เชิญไปด้านหลังนะฮะถอยีปคุณโยมตำแหน่งราใหญ่มากขึ้นครับใหญ่มากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ก่อนเป็นลูกน้องเขาไม่มีลูกน้องตอนนี้มีลูกน้องมากขึ้นแล้วห้าคนตอนนี้สิบคนถอยีปครับมีลูกน้องอีกห้าสิบคนใหญ่ขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นต้องหูตากว้างไกลมากขึ้นรับอารมณ์ต่างๆมากขึ้นงานเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไอีกครับถอยไปคุณโยมงานเราใหญ่ขึ้นมากใหญ่สุดๆเลยต้องรับผิดชอบมากที่สําคัญระวังคนระวังคนอื่นเดือดร้อนด้วยมันจะเสียบตาเขา คนอื่นป้องกันตาได้อะไรนะฮะ้ายนไม่ถึงนะครับตู้ถูกผ้าขนาดนั้นเลยมาเดลิวัลี่ส่งถึงที่ซึ้งถึงใจงั้นเราต้องถึงทุกที่อยู่แล้วเตรียมตัวรับคุณโยนรับให้ได้ก็แล้วกันนะครับตำแหน่งเราใหญ่ขึ้นนะครับความรับผิดชอบมากขึ้นนะเอาเลยแล้วกันเสียเวลาลูกน้องมากขึ้นด้วยลูกๆภรรยาไอคนละคนนั่นนะก็จะโตขึ้นความรับผิดชอบก็จะมากขึ้นเราต้องไม่ยอมแพ้ อุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเราโตขึ้นครับคุณสุประชัยเจียวรนนท์ไปเจอปัญหาเก้าหมื่นล้านบางกีต้องบินไปให้ฝรั่งด่าถึงเมืองนอกครับพอด่ากสร็จเขาเดิน อ, ออกจากห้องก็มีในช่วงนั้นแต่สดท้ายที่เขาก็ฟื้นมาได้ของทรูนะไปอ่านดูโอเคเตรียมตัวนะครับเราอยากยิ่งใหญ่อย่างนั้นไหมครับอยากยิ่งใหญ่อย่างนั้นเราต้องเกาะสู้ให้ได้เราจะเป็นคนโชคดีเตรียมตัวนะเชียร์กันด้วยนะครับอเชียร์กันได้น ะ, ะเตรนะียมตัวอะระวังตาเราด้วยนะอย่าไม่อยากติดคุกนะเตรียมตัวรีบลองต้ม อ่าโอเครับได้คุณยอมเดินไปอีกสองก้าวเดินมันเดินมาอีกสองก้าวโอเคโยนคืนแน่จะมา <c oughs> อุ๊ยเต <c oughs> ้าเมื่อกี้พระก็ยอมแพ้มันต้องมีคนถอยคน น, นึงนะครับสังคมเราถึงจะอยู่ได้ <c oughs> เราอยากชนะออไม่อยากแพ้เราไม่อยากแพ้ไหมอยากแพ้ไหมครับไม่อยากแพ้แข่งขันแล้วก็อยากชนะอยากชนะไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้เร่องยังไครับมักขยับมาครับเมื่อเราไม่อยากแพ้ก็จะไปยากอะไรครับเราไม่ต้องไปเสี่ยงชีวิตเราเล่น ง, ง่ายๆ อยู่ที่เดิมไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องทําอะไรอะไม่อยากแพ้ง่ายๆเล่นเกมง่ายๆไม่ต้อง ไ, ไปไหนครับอยู่แค่นี Haw ้แหละเท้าชามเย็นชามเอาที่เดให้ขนาดนี้เลยไม่เอาเลยเออมาชีวิตมันง่ายครับไม่ต้องเบรใครมากอย่าไปเป็นหัวหน้าใครอย่าไปรับผิดชอบใครอยู่แค่นั้นตำแหน่งเราไม่ต้องไปไหนเท้าชามเย็นชามไหมเราจะแพ้ไหม ไม่แพ้ชีวิตเราไม่ต้อเนอะไม่เสี่ยงไม่อะไรชีวิตเราก็อยู่แค่นั้นแต่ชีวิตของเราอยู่ที่เดิมนะเราต้องเพิ่มไปเรื่อยๆความรับผิดชอบเราต้องมากขึ้นยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมเมื่อเราอยู่จุดที่สูงเนี่ยคนที่ชมเราก็มีคนที่ว่าเราก็มีคงไม่เฉพาะญาติโยมอาตมาก็คงเจอเหมือนกันแต่สําคัญที่สุดเราต้องยึดไว้ว่าเราทําความดีอยู่เราทําอะไรอยู่เราสอนคนเพื่ออะไรนะเราทําหนังสือเพื่ออะไรเราทําเพื่อใครถ้าเราชัดเจนตรงนี้ชีวิตเราจะมีความสุขขออีกคนหนึ่งครับขอผู้ชาย คุณโยมข้านหลังก็แล้วกันนะคุณโยมคุณโยมมาเล่นเกมนี้กันหน่อยเชิญครับไปลองกําลังกันหน่อยที่นี้มีกําลังออกกําลังกายกันหรือเปล่าอ่ะอยู่้านข้างนะเอามือหันหน้ามาด้านนี้คุณโยมอ่าคุณโยมหันหลังมาอ่ะเอามือดันกันครับดันพลังเคยเล่นเกมแบบเหมือนมวยปั้มไหมวัดกําลังกันใช่จะฝากกันนะออกแรงสุดๆระวังน้ำมันจะกระเด็นไปทางโน้นระวังเราะว่าด้วยพลังของคุณโยมดันให้สุดแรงนะฮะอ่าขยับขยับไม่กี่เดือนขยับไม่หน่อยหันด้านข้างก็ได้านข้างก็ได้ คุณโยมที่สามารถไปทางนั้นได้ดันกันให้ชนะดันใครใครถอยก็แล้วก็แพ้ แ, แรงอบอกแรงสุดๆเลยจะเล่นอะไรกันเนี่ยอนนี้คิดว่าพาว่างมากใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ดันกำลังกันสุดๆเลย แ, แรงๆยืดยูนๆๆๆๆจะเย็นๆเดี๋ยวสรุปให้สรุปเองไปแล้วมันมายาแคนมา เล่นไปตามเกมก่อนดันกําลังกันนะดันแรงๆอย่ายอมแพ้โอ้โหโอ้เต็มที <t <t ่เต็มที่ดันกำลังกันเพราสนุกแก่ละสนุกแก่ละทีนี้มันดันกันไปดันกันมาบ้านเมืองเราไม่ไปไหนนะจะอยู่กับที่มันต้องมีคนหนึ่งยอมสมมติว่าคุณยอมอยากไม่อยากให้เขาแพ้แล้วยอมแพ้เนาะไม่ยอมเอ้าเอ้าะเล่นกันยังไงหนึ่งถึงว่าเด็กไม่ค่อยอ่านหนังสือปวดหัวดันคุณยอมแพ้คุณยอมถอยเโอเคดันกัน คุณยมชนะคุณยอมชนะอยากให้คุณยมชนะถอยไปแลถอยไปดังยากให้เขาดันแบบนี้ดันแล้วถอยไปเรืยเช่นกันออกกำลังแล้วออกกำลังก็เล่นดันกันแรงก่อนอย่าเพิ่งถอยอย่าเพิ่งถอยต่อสู้กันยื้อกันไปยื้อกันมาไม่ยอมกันไม่ยอมกันสนุกเนาะต่อไปครับเราก็ค่อยดันคนหนึ่งถอยละคนหนึ่งถอยอระวังเดี๋ยวล้มหัวฟาดพื้นช้าๆดันช้าๆดันช้าๆดันช้าๆกันดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆอ้อมห้องประชุมนะอ้อมไปเลยดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆ เออดันไปเรื่อยๆเอาขอรับผมเมือได้กับเพื่อนเลยฮะจะมาเนาะจะได้เนาะโอเคเรามีโค้ดเดียวก็มานั่งที่เดิมฮะเราดันกันไปดันกันมาเถียงกันไปเสียงกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมามันไม่ไปไหนครบางครั้งของคนไทยเราเป็นงี้บ่อยนะครับบางทีเราเราพูดถึงเรืงชุดนักศึกษาโอ้เด็กเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยประชุมกันไปประชุมกันมาเคยคุยกับครูคนหนึ่งไปประชุมที่กระทรวงสาธารณสุขทะเลาะกันไปทะเลาะกันมากระซ่วกัโยนไปที่ครูบ้างครูโยนมาที่กระซ่วบ้างโยกันไปโยกันมาอัจมาได้ถามก็ถามง่ายๆแลคาสรุป อ๋อสรุปตรงไหนตานนี้ครับเพราะที่โยงกันไปโยงกันมาได้แล้ค่ะนั่นแหะคือบทสรุปแล้วเอาแล้วเราจะแก้ไขยังไงไม่ได้นะเราต้องแก้ไขเอาสุดท้ายคุณออกมาตรการออกมาแต่มาเชื่อว่าทุกคนถ้ามีมาตรการออกมาเราทําได้ไหมได้ขอสั่งกันมาเถอะว่าถ้าทําผิดมีอะไรตรงไหนยังไงบ้างถ้าคุณยืดหยุ่นยืดหยุ่นมันก็ยืดหยุ่นยืดหยุ่นนะอันไหนที่เข้มข้นได้ก็ต้องเข้มข้นคุยกับคนที่ไปเรียนต่อออสเตรเลียเขาบอกช่วงเทศกาลอย่าว่าแต่พันคนห้าร้อยคนที่ตายเนี่ยนะแค่สองคนก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่่่เเมมืองไทยยรราาาปปปะะกศนนนีีี้ใหตแ แปดร้อยเรประกาศเลยนะว่าตายแน่ๆที่จะไม่ได้กลับมาทํางานแน่ๆเลยแปดร้อยเราประกาศ ช, ชัดเจนมากถึงมันจะลดลงแต่มันก็น่ากลัว mm hmm. ออสเตรเลียไม่มีตํารวจเฝ้าตรงสี่แยกไฟแดงเขามีกล้องอยู่ตัวหนึ่งถ้าฝ่าปั๊บทันทีเลยถ่ายทันทีแล้วส่งบินไปที่บ้านไปจ่าย mm hmm. ถ้าไม่จ่ายวันที่มาต่ออายุหมด อ, อายุรถยนต mm ์นี่ยเขาเรียกอะไรสาไม่ใชตอนทะเบียนรถนะต้องจ่ายดับเบ mm ิ hmm. ้บเบลเนีต้องจ่ายมากขึ้นแล้วลงโทษหนักมาก เห็นไหมครับเมื่อเขาชัดเจนมีมาตรการชัดเจนทุกอย่างมันก็ป้องกันได้คนเขาเขาลดกฎกติกาเพราะว่ามันชัดเจนคุณไม่จ่ายเขาต้องไปจ่ายดัวเบอร์หรือจ่ายมากกว่านั้นอีกแล้วโทษร้ายแรงมากเลยเป็นคดีอาญาด้วยนะเวลาที่เมาแล้วครับเป็นคดีอาญาเลยครับไม่มีการยอมความไม่มีการฝ่านะไม่ฝ่าผมว่าฝ่านะฝ่านะฝ่าอุ้ยไม่ฝ่านะฝ่าฝ่าฝาไม่ฝ่าอ้าไม่ฝาก็ไม่ฝ่านะ เหมือนที่อาจารย์จะเป็นบอกใช่ไหมมันก็อย่างนั้นเหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าขาัา้นการชัดเจนมันก็ชัดเจนการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการปริหารงานเนี่ยช่วยเอื้อประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการสร้างแง่คิดมุมมองให้กับทางพนักงานของเราทําให้พนักงานของเราใจเย็นขึ้นทําให้พนักงานของเรามีความรู้สึกรับองคอ์กรมากขึ้นแล้วก็กะดาดิสแพนกช่วยลดเรื่องของความขัดแย้งภายในองค์กร ทำให้เกิดความสอบสวนสอบสวนสามัญคีมากขึ้นครับผมชีวิตการทํางานที่ฟังในวันนี้นะคะได้คิดว่าน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้เยอะอย่างหนึ่งก็คือว่าความยืดหยุ่นความให้อภัยแล้วก็มีสติมากๆแล้วก็มีอะไรก็กระทบกระทั่งกันบ้างก็ต้องให้อภัยกันนะคะประทับใจไม่คาดคิดว่าทุกวันนี้ธรรมะที่สอนจะทันสมัยขึ้นขนาดนี้นะคะ่ะ ผมเคยบวชเรียนมาซึ่งในการบวชเรียนเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งแต่แค่วันเนี้ยเพื่อเมื่อมาฟังได้แค่เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็รู้สึกว่าอ่าธรรมะที่เราเข้าใจกันอยู่เนี่ยมีอะไรมีสิ่งดีๆมากกว่าที่เราเคยรับรู้กันอีกครับพราจารย์มีการใช้สื่อภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวทําให้เราเห็นว่าเออธรรมะน่าสนใจธรรมะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในวัด แต่มันเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราถ้าอาจารย์ท่านสามารถนำหลักทมนำมาใช้ได้กับทุกเพศทุกวยัยโดยเฉพาะวัยรุ่นถ้าได้ฟังแล้วจะได้ข้อคิดมากครับ